วันนี้เราได้มาร่วมกันฝั่งเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้เราได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การปฏิบัติแบบไหนเป็นการปฏิบัติที่ถูกการปฏิบัติแบบไหนเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกก็จะได้ผลที่ถูกถ้าปฏิบัติผิดก็จะได้ผลที่ผิดการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เพราะก่อนที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผิดบ้างถูกบ้างถ้าถูกก็ได้ผลถ้าผิดก็จะไม่ได้ผล การฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญอย่างมากทรงปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าพุทธกิทธามีเรื่องของการแสดงธรรมอยู่ถึงสี่ครั้งด้วยกันในแต่ละวันคือตอนบ่ายจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนคารวะญาติโยม ตอนค่ำจะแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนดึกจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลายและในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็จะทรงเร่งญาณดูว่าวันนี้ควรจะไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ใดเป็นกรณีพิเศษ แล้วหลังจากนั้นก็ทรงออกบินทบาสนี่คือพุทธกิจห้าประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบำเพ็ญหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่45ปีให้แก่การ อบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ผลอย่างเต็มที่และรวดเร็ว อย่างในยุคแรกๆ ก, การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งมักจะมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เกือบทุกครั้งไปมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรห้าสิบรูปภายในระยะเวลาเพียงเจดเดือนหลังจากที่ประกาศพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาหั บ, บูชาแล้วก็พอถึงวันมาคาบูชาในวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนต่อมาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์หนึ่งสองรหรูปได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้ได้นัดหมายกันไว้ก่อนพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งรหบรูปนี้ได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จากการได้ฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ขอพุทธานุญาตบวชเป็นพระภิกษุในบรวรของพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นี่คือผลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ร, รมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติผลก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง การจะปฏิบัติที่ถูกต้องได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องก่อนนี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเราจะได้กาจัดความสงสัยบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เช่นมีคำถามอยู่เรื่อยๆที่ถามว่า ถ้าตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นกิเลสแล้วความอยากทาบุญนี้เป็นกิเลสหรือไม่อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าความอยากทำบุญนี้ไม่เป็นกิเลสเป็นมรรคเป็นธรรมคือเป็นทางที่จะพาไปสู่ความดับทุกข์ ความอยากทำบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันเช่นการอยากทำทานอย่างวันนี้ญาติโยมอยากจะทำทานญาติโยมก็นำข้าวของอะไรต่างๆมาแล้วก็นำมันม า, มาถวายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางที่จะพาไปสู่พระนิพพาน คือความดับทุกข์ความอยากที่เป็นบุญนี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนอกจากการอยากทำทานแล้วก็มีการอยากมักน้อยนี่ก็เป็นเป็นมักอีกอย่างคือไม่มักมากไม่โลภมากอยากได้น้อยๆอยากมีน้อยๆอยากมีเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้ามีสักสองสามชุด พอสวมใส่ไว้ปกปิดร่างกายไม่ต้องมีเต็มตู้ไม่ต้องมีหลายหลายตู้ด้วยกันเอาเท่าที่จําเป็นมีน้อยๆ อ, อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญความอยากมีของน้อยๆไม่อยากมีของมากๆ ม, มีเท่าที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพคือปัจจัยสี่อย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ ให้มากน้อยในอัฏฐบริขารให้พอใจกับการมีสมบัติเพียงแปดชิ้นผู้ที่จะบวชนี้จะได้รับมอบสมบัติจากพระอุปชายาัยผู้ทำการบวชให้จะมอบสมบัติให้แปดชิ้นด้วยกันที่เรียกว่าอัฏฐบริขารมีผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืน ผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวรนนี่ก็เป็นสมบัติสามชิ้นสมบัติชิ้นที่สี่ก็คือบาทบาทก็มีเอาไว้เพื่อเอาไปหาอาหารเดินบินท้าบาดสมบัติชิ้นที่ห้าก็คือปักคตเอวคือเข็มขัดเข็มเข็มขัดรัดเอวผ้า ที่นุ่งนี้ไม่มีอะไรต้องใช้อะไหลมัดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดก็เป็นสมบัติชิ้นที่ห้าสมบัติชิ้นที่หกก็คือใบมีดโกนมีดโกนไว้สำหรับตรงผมตรงหนวดสมบัติชิ้นที่เจ็ดก็คือเข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมจีวอนซ่อมผ้าเวลาขาด และสมบัติชิ้นที่แก็คือที่กรองน้าพระสมัยพุทธกาลนี่จะตักน้ำจากลำทานจากแหล่งน้ำต่างๆซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในน้าก็ต้องมีที่ตักแบบที่มีที่กรองกันไม่ให้ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมากับน้านี่คือสมบัติ8ชิ้นที่พระพุทธเจ้า ทรงมอบหรือบัญญัติให้พระภิกษุผู้บวชในบวรพระพุทธศาสนามีไว้ให้มีไว้เพียงแค่นี้ไม่ให้มีอะไรมากไปกว่า น, นี้เพราะว่าพอเพียงต่อการที่จะด <c oughs> ำรงชีวิตปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือความมักน้อยของภาคพิสุสา ม, มเณรมีเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วความมักน้อยแบบนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นมักเพราะเป็นการทำลายกิเลสตัณหาความมากักมากความโลกมากความอยากได้มากๆโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร กับเกิดเป็นโทษเพราะมีมากก็ต้องดูแลมากต้องคอยดูแลรักษามากแล้วก็เวลาหายก็ทุกมากนี่คือความอยากที่เป็นบุญเป็นมักเป็นธรรมคือความมักน้อยความอยากมักน้อยความอยากอีกอันก็คือความอยากสันโดษ าสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่พอก็จะไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้สึกเสียใจสมมติว่าควรจะได้ควรจะมีอัะบริขารแต่อาจจะขาดไปบ้างเช่นผ้าจีวร อ, อาจจะขาดเหลือเพียงสองผืน ถ้ายังพออยู่ได้ก็ก็ยินดีไปตามมีตามเกิดไว้รอให้มีเกิดขึ้นมาใหม่ที่หลังต่อไปตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรพอใจกับสภาพที่อดอยากขาดแคลนถ้าทาถ้ามีความอยากในอย่างนี้แล้วจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายกับการ มีหรือไม่มีมีก็ไม่วุ่นวายไม่มีก็ไม่วุ่นวายพอใจยินดีตามมีตามเกิดกับทุกสิ่งทุกอย่างยินดีกับความสรรเสริญเยินยอยินดีกับความดุด่าว่ากล่าวยินดีกับทุกสภาพยินดีกับความสุขยินดีกับความทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พอใจ นี่เรียกว่าความอยากสันโดดความอยากอีกอันหนึ่งที่เป็นธรรมก็คือความอยากปีกวิเวกอยากไปหาที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงที่บรบกวนใจที่จะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเช่นไปปีกวิเวกอยู่ตามวัดป่าวัดเขา หรือไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลำพังอันนี้ก็เป็นความอยากที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการบมเพ็ญต่อการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจความอยากอีกข้อหนึ่งก็คือความอยากไม่คุกคีกับใครบางครั้ง ไปอยู่ในที่เว่ยๆเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาก็ต้องมีคนไปอยู่หลายๆคนด้วยกันก็อย่าไปคุกคีกันถ้าคุกคีแล้วมันจะคุยกันคุยกันแล้วใจก็จะไม่สงบใจก็จะฟุ้งร้านมีความคิดปรุงแต่งแล้วบางทีก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาได้ ถ้าเกิดไปพูดเรื่องที่ไม่ถูกใจกันหรือไม่เห็นมีความเห็นไม่ตรงกันไปพูดเรื่องสีเขียวสีฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวก็กลายเป็นสงครามขึ้นมาได้ฉะนั้นอย่าคุกคีกันถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบคุกคีเท่าที่จําเป็นเช่นเวลาต้องมาทำากจวัรร่วมกัน มารับประทานอาหารร่วมกันมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันมาก็มาด้วยความสงบไม่คุยกันต่างคนต่างจเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบอันนี้เรียกว่าความอยากไม่คลุกทีกัน ถ้าไม่ควบคืีกันต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเจริญสติพุทโธไปในใจใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายความยินดีในธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือความยินดีกับการภาปกับความภาคเพียรวิริยารมพาคือความยินดีที่จะประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่อง เช่นเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับนะพระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นคือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสอนให้ทพรนไปอยู่ตามที่สงบสงัดวิเวทตามลาําพังแล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาด้วยอิริยยบทั้งสองนี้เวลาเดินจงกรมนี้ก็ทำได้สองอย่างจ ะ, จะเจริญสติก็ได้จ ะ, จะเจริญปัญญาก็ได้จเจริญสติก็ตฎิกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการเดินของร่างกายเช่นเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวา ให้รู้เพียงเท่านี้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จดจ่ออยู่กับที่เท้าหรือถ้าจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้จิตคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบถ้ามีสติมีความสงบแล้วมีสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมามาเดินจงกรม ก็จะใช้การพิจารณารมเจริญปัญญาก็ได้เช่นพิจารณาร่างกายดูความจริงของร่างกายในแง่มุมต่างๆเช่นอนิจจงร่างกายเป็นอนิจจงเป็นอย่างไรก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรนไม่คงไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเจริญมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้ก็พิจารณาเรื่องอนิจจังพิจารณาเรื่องอนัตตาก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงอาการสารสิบสองเช่นผมขนลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ถ้าพิจารณาดูทุกอาการแยกออกมาแล้วก็วจะไม่เห็นว่ามีตัวมีตนไม่เชื่อก็ลองไล่ถามดูก็ได้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมเหรออยู่ตรงขนหรืออยู่ตรงเล็บหรืออยู่ตรงฝันอยู่ตรงหนังอยู่ตรงเนื้ออยู่ตรงเอ็นอยู่ตรงกระดูกอยู่ตรงหัวใจปอดตับลำไส้ใน สมองหรือน้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้าเสลเราอยู่ในส่วนเหล่านี้หรือเปล่าแยากมันออกมาดูถ้าแยกออกมาครบสามบสองแล้วก็จะไม่เห็นตัวเรามันไม่มีเพราะมันไม่มีมันจะมีตัวเราได้อย่างไรวิธีที่จะทำให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเพื่อที่จะได้ละสกายทิฐิได้ ความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเวลาร่างกายตายไปมันเป็นของขใครเป็นของสับเลอเป็นของวัดแล้วก็เป็นของทะเลไปในที่สุดไปลอยอังคารก็นพอเผาเหลือแต่ที่เท่ากับเศษกระดูกก็ห่อผ้าขาวแล้วก็นั่งเรือออกไปกลางทะเลแล้วก็ไปลอยอังคาร นั่นแหละคือร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเราพิจารณามันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วความหลงมันจะมาหลอกเราได้อย่างไรในเมื่อเราเอาความจริงมายืนยันกับมันว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นความจริงเราจะได้ปล่อยวางอุปทานได้ดับความหลงได้ไม่ยึดไม่ถือไม่ติดไม่หวงไม่ห่วง ่างกายจะเป็นอะไรถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเพราะมันเป็นอนัตตานี่คือการเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วมาเดินจงกรมอันนี้เราก็เรียกว่าการพิจารณาทางปัญญาหรือถ้าเวลาเรานั่งอยู่แล้วเราอยากจะจริญเนปัญญา เวลาออกจากสมาธิแล้วเรายังไม่ลุกขึ้นมาเราจะนั่งต่อไปเพื่อให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ได้ให้เกิดอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาเหมือนกับพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนัตตาว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นคนเจ็บคนที่เจ็บก็คือร่างกาย ในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราเราไปเจ็บแทนร่างกายทำไมก็ปล่อยมันเจ็บไปเราเป็นใครเราก็เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่เองใครคือผู้รู้คือผู้คิดก็คือใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชั่วคราวร่างกายเป็นสมบัติของใจชั่วคราว ทุกขเวทนาที่เกิดที่ขึ้นที่ร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจใจไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอยากให้มันหายไปเพราะเวลาเกิดความเกลียดความกลัวความอยากให้มันหายไปจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดจากตัณหาความอยาก อยากให้ความเจ็บคือทุกขเวทนาของร่างกายหายไปอยากว่ามันหายไปได้หรือเปล่าหายไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกมันทุกเวทนามันเป็นอนัตตาเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้ เวลาสุขเวทนาให้มันจะทำให้มันเป็นทุกเวทนาก็ไหมได้เวลามันทุกขเวทนาจะทำให้มันเป็นสุขเวทนาก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันอย่างเดียวถ้าปล่อยได้ใจจะไม่ทุกขใจทุกเพราะความอยากให้เวทนาหายไปถ้าดับความอยากให้เวทนาหายไปได้ใจก็จะไม่ท <c oughs> <herical caminho> ุกขจะดับความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริง ยมรับความจริงเข้าใจความจริงว่าทุกขเวทนาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนฟ้าเหมือนลมพัดเราสั่งลมพัดให้หยุดพัดได้หรือไม่เราสั่งให้ลมพัดได้หรือไม่เวลาลมไม่พัดสั่งไม่ได้เราอยู่ทำไมเราอยู่กับลมได้ก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากกับเขานั่นเองลมจะพัดเราก็ปล่อยก็พัดไป เป็นลมพายุเป็นลมหมุนเราก็เราก็อยู่กับเขาได้เราไม่ทุกกับเขาได้เพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เราก็เลยไม่มีความอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาทุกขเวทนาเตินใจเข้าใจแล้วใจจะปล่อยพอปล่อยแล้วใจจะสบายจะเฉยถึงแม้ว่าทุกขเวทนายัางตั้งอยู่ก็จะไม่มี ความเดือดร้อนจะไม่กวลกัวายกระสับกระสายจะไม่ดิน้นจะเฉยๆนี่คืออำนาจของปัญญาถ้าพิจารณาเวทนาจนเข้าใจแล้วจะเป็นอย่างนั้นบางครั้งเวทนาก็หายไปก็มีเพราะใจรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ไม่รับรู้เรื่องของเวทนาไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย ถ้ายัางรับรู้อยู่ก็จะไม่วุ่นวายจะเฉยๆเป็นอุเบกขาได้นี่ก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาในการทำความเพียรไม่ว่าจะเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิสามารถเจริญสติได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญาได้พระพุทธเจ้าจึงสอนพระภิกษุให้ยินดี ให้อยากทําความเพียรกันให้ให้เดินจง ก, กรมนั่งสมาธิตั้งแต่เวลาหกโมงถึงสี่ทุ่มพอสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักก่อนสี่ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาตีสองก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิต่อจนถึงหกโมงเชา้าถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ให้ไปบิณฑบาต ระหว่างไปบินตาบายก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนกับการเดินจงกรมจะพิจารณาธรรมก็ได้จ ะ, จะเจริญสติก็ได้จเจริญสติก็ให้มีใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาธรรมที่มาปรากฏมาให้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดเดินบินตบาบดเห็นคนเห็นใครก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟได้อาหารที่ได้มาในบาปก็เป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาไปตลอดทางก็ได้ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาถ้าจ ะ, จะเจริญ สติสมาธิก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่ากํำลังเปิดฝาบาตรู้ว่ากําลังนับอาหารใส่บาตรรู้ว่าผมปิดฝาบาตรรู้ว่าเดินอันนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการบินทบาทเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ให้อยากได้อาหารชนิดนั้นอยากได้อาหารชนิดนี้ นี่คือการบําเพ็ญของพระตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นให้มีการเจริญสติหรือสมาธิหรือปัญญาอย่างต่อเนื่องวิธีนี้แหละที่ทําให้บรรลุภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีได้คือต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิ หรือการทําภารกิจต่างๆบิณฑบาตขบฉันกวาดถูสาราปัาดกวาดลานวัดทํากิจกรรมต่างๆแท็กที่จําเป็นที่ต้องทําแต่ทําด้วยสติเวลาระหว่างทําก็ไม่มีการคุยกันพระปฏิบัติถึงแม้จะอยู่ร่วมกันมากน้อยเพียงไรเวลามาทํากิจจะวัดนี่จะไม่เห็นว่าท่านคุยกันเลยต่างคนต่าง ทำหน้าที่ของตนมีหน้าที่กวาดก็กวามีหน้าที่ถูก็ถูกทาไปอย่างขมักขะแม่นทาให้เสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้ไปปีกเมฆต่อให้มีการคุกคลีให้น้อยที่สุดและระหว่างการคุกคลีก็ไม่ให้มีการคุยกันนี่คือหลักของพระป่าหลักของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆาวาก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันฆราวาสก็ปฏิบัติแบบพระได้ถ้าปฏิบัติแบบพระได้ก็จะบรรลุแบบพระได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นฆราวาสเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นพระอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่ว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหรือไม่นี่คือเรื่องของของความภาคเพียรขอให้เราอยากในความภาคเพียรกันอยากเจริญสติอยากเจริญสมาธิอยากจะเจริญปัญญาอยากจะบรรลุธรรมอันนี้เป็นความอยากที่ถูกต้อง เพราะถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็จะไม่ทำกันเมื่อเราไม่ทำกันเราก็จะไม่ได้ผลเช่นวันนี้ถ้าไม่อยากมาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมไม่อยากจะมาทำทานทำบุญวันนี้อยากจะไปเที่ยวตามสูนสนุก อ, อยากจะไปกินไปดื่มอยากจะไปช้อปปิ้งตามศูนย์การค้า อ, อันนี้ก็จะไปอีกที่หนึ่ง ถ้าไปแบบนั้นนะเรียกว่าเป็นความอยากที่จะนำความทุกข์เข้ามาสู่ใจไม่ใช่นำความทุกข์ออกจากใจแต่คนไม่ฉลาดจะไม่เห็นกลับจะเห็นกลับตาลปัดกลับจะเห็นว่าเป็นความสุขได้ไปชอปปิ้งได้ไปดูหนังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานได้ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆกลับมา แต่มันเป็นความสุขปลอมความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสแต่มันทำให้เกิดความผูกพันเกิดความอยากที่จะทำใหม่อีกทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทำจนกระทั่งต้องมาวุ่นวายกับการต้องไปหางานหาเงินหาทองเพราะเวลาไปแบบนี้ก็ต้องใช้เงินทอง ใช้ไปเรื่อยๆมันเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปทํางานไปหาเงินเวลาทํางานหาเงินนี่มันสุขหรือมันทุกข์กันเนะี่ยอันนี้ก็คือความทุกข์ที่จะตามมาแล้วถ้าหาไม่ได้เงินทองไม่พอใช้ไปเป็นหนี้เป็นสินก็ยิ่งจะทุกข์ใหญ่นี่คือความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยคืออยาก ไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นความอยากที่ไม่ควรไปไม่ควรกระทำะควรอยากในทางธรรมกันอย่างที่ท่านอยากกันมาในวันนี้อยากมาทำทานอยากมาปลีกวิเวกอยากจะมาหาที่สงบสงบอยากจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ อยากจะฟังเท็จฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาควรจะให้มีความยินดีในความอยากแบบนี้ไปได้เรื่อยแล้วความอยากแบบนี้จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าพระอราหารันตสาวกทั้งหลายท่านก็อยากแบบนี้ทั้งนั้น เมื่อก่อนท่านก็อยากแบบที่เราอยากกันนี้อยากมีความสุขทางตาหูจมูกต้นกายอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะต้องเล่นโลนต่อสู้หาสิ่งต่างๆมา หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอม่ออิ่มต้องหาไปเรื่อยๆแล้วเวลาสังขารร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมลงก็จะทำไม่ได้เวลาแก่ลงไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปก็ไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลาไม่ได้ทำตามความอยากก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจ ดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิกนพิการเป็นอมภพึกเป็นอมภา่าดูดูว่าเขาดีอกดีใจหรือเปล่าเขามีความสุขหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ฝ่ายทำคนที่ปฏิบัติทำได้จะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายร่างกายจะพิกนพิการเป็นอมภพึกอมภ่าก็ยังสามารถจดินสติได้ จะเรียนสมาธิได้จเจริญปัญญาได้ดับความทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้อันนี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากคือความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกความสุขทางโลกนี้เป็นความสุขกลอมเป็นความสุขที่หลอกหลอกให้เราติดอยู่กับกองทุกข์เพราะเราจะต้อง เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปหมดสภาพไปเรายังมีความอยากอยู่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้เราต่อมาทำตามความอยากต่อมาดูมาฟังมาดื่มมารับประทานต่อพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องมีภาระดูแลเลี้ยงดูร่างกายหะ หาเงินหาอาหารหาอะไรต่างๆมาเลี้ยงร่างกายก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำ ง, งานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองแล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับการพัดพากจากคนนั้นคนนี้ไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพอท่านเห็นว่าต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านก็เลยเกิดความขยาดเกิดความกลัวในการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้พยายามแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่การ ยุติของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องออกบวชกันเพราะการบวชนี้จะทำให้สามารถให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เวลาใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะสามารถมองความจริงได้มองเห็นอะไรต่างๆได้เหมือนใจนี้เหมือนกับน้ำน้ำถ้ามันไม่นิ่งน้ำมันจะขุ่น เวลาน้ำขุ่นจะมองไม่เห็นอะไรในน้ำเวลาน้ำนิ่งนี้จะเห็นตัวปลาจะเห็นอะไรต่างๆชัดเจนในน้ำฉันใดเหตุที่พาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี้ก็มีอยู่ภายในใจเพียงแต่ว่าเวลาใจไม่สงบนี้จะมองไม่เห็นเหตุอันนี้ แต่เวลาทําใจให้สงบแล้วจะเห็นเหตุนี้ได้อย่างชัดเจนเหตุนี้นี่ก็คือตัณหาความอยากนี่เองตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณ ห, ห, หาความอยากมีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาเภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาใจก็จะกระเพื่อนใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาเวลาใจสงบไม่มีตัณหานี้ใจจะรู้สึกเย็นสบายพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็เหมือนกับน้ําน้ําที่มีปลาตุดโผล่ขึ้นมา พอปลาผุดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก็ทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำเป็นลูกขึ้นขึ้นมาใจก็เหมือนกันเวลาใจสงบใจนิ่งนี้มีความสุขพอใจมีความตันหาความอยากความความนิ่งความสงบนั้นก็จะหายไปสิ่งที่ได้กลับมาแทนที่ก็คือความกระสับกระส่ายความกังวลกระวลลองสังเกตดูเวลาอยากจะได้อะไรนี้อยู่เฉยๆได้ไหม นอนหลับหัหยกังวลกวาดกษัสร์กรส็กสายวิตกกังวลไปต่างๆนานาจะหายก็ต่อเมื่อได้หรือไม่ได้ถ้าหายก็ถ้าถ้าได้ก็จะหายไปหรือว่าถ้ารู้ว่าไม่ได้มันก็จะหายไปเหมือนกันเพราะมันรู้ว่ามันหมดมันหมดโอกาสแต่มันก็จะประหยาดอย่างอืงอ่นใหม่ต่อไปมันไม่เข็ด อันนี้เพราะว่ามันไม่เห็นเวลาใจไม่สงบจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนจะไม่เห็นโทษของความอยากแต่เวลาใจสงบมีสมาธิแล้วนี้เวลาเกินความอยากนี้จะเห็นว่ามันมาทำลายความสงบมาทาลายความสุขของสมาธิก็จะต่อสู้กับมันจะสอนใจว่าอย่าปรยากเอาสิ่งต่างๆที่ได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียว ได้มาแล้วมันก็หมดความหมายไปได้ดูได้ฟังอะไรแล้วก็ให้ดูซ้ำอีกก็ไม่แอวแล้วดูหนังเรื่องนี้ละครสองครั้งก็ไม่อยากจะดูแล้วเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยากได้มันก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจกระเพื่อม ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจกังวลกวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับใจก็จะปราศจากความทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากใจเองเกิดจากความอยากของใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆภายนอกไม่ได้เกิดจากความแก่ของร่างกายไม่ได้เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ได้เกิดจากความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ของใจ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายของใจถ้าใจสามารถหยุดความอยากแบบนี้ได้เวลาล่างกายแกเวลาล่างกายเจ็บเวลาล่างกายตายจะรู้สึกเฉยๆนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีสมาธิท่านมีปัญญาท่านสามารถควบคุมความอยากระงับความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ เพาท่านเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหมือนหอกทิม่มแทงจิตใจนั่นเองถ้าเรารู้ว่าที่เราปวดศรีรษะเพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเรายังจะเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราหรยอไม่ตอนนี้เราไม่รู้เราก็เอาค้อนมาทุบอยู่เรื่อยๆเอ า, าหอกมาทิ่มมาแทงใจเราอยู่เรื่อยๆด้วยความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้ อยากดูอยากฟังอยากเดินอยากรับประทานพอเกิดความอยากเหล่า น, นี้แล้วก็เหมือนกับมีห อ, อกมาทิ่มแทง จ, จิตใจทําให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้พออยากจะรับประทานก็ต้องไปเดินไปเปิดตู้เย็นไปหาของรับประทาน <c oughs> หรือถ้าไม่มีในบ้านก็ต้องออกไปข้างนอกไปตามร้านค้าต่างๆไปหาซื้อของที่อยากจะรับประทานพอรับประทานเสร็จถึงจะกลับมาอยู่บ้านได้ แตอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้อง อ, อกไ ป, ไปใหม่ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําไปจนวันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาทําใหม่นี่น่ะคือโทษของความอยากมันจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไปสร้างความทุกข์ให้กับใจอย่างไม่มีวันจบสิ้นพอไม่มีความอยากแล้วถึงจะรู้ว่าโอ๋อไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราทุกข์ได้เลย ฝลฟ้าอากาศทำให้เราทุกข์ไม่ได้ความยากความความยากจนก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้อะไรต่างๆก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้คนนั้นคนนี้จะมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้จะมาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนก็จะทําให้เราทุกข์ไม่ได้จะดา่าจะชมก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์มันเกิดจากการอยากของใจทนั้นเองอันนี้แหละที่จะ เปนสิงที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังแล้วไปปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาสลับกันไปตามแต่กําลังตามแต่ระดับของการปฏิบัติว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ระดับจเจริญสติก็จเจริญสติไปจนกว่าจะได้สมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็มาเจริญปัญญาเจริญปัญญาแล้วก็กลับไปสงบในสมาธิเพื่อพักผ่อนการเจริญปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับการไปทางานส่วนการเจริญสมาธิก็เหมือนกับกลับกับการกลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าชีวิตของเรานี้ต้องไปอยู่สองที่ด้วยกัน อยู่ที่บ้านกับที่ทำงานเรากลับมาบ้านเพื่อมาพักผ่อนหลับนอนเติมกําลังเติมอาหารให้แก่ร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนมีกําลังมีอาหารร่างกายพร้อมที่จะออกไปทำงานเราก็ออกไปทำงานเราไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์ 3-4 เดือนต่อเดือนเราทำแล้วเราก็ต้องมีวันหยุดพักผ่อน อัในใดการปฏิบัติทางปัญญาก็เช่นเดียวกันการเจริญปัญญานี้เราไม่ได้เจริญตลอด24ชั่วโมงเราต้องมีเวลาพักผ่อนเหมือนกันถ้าไม่เช่นนั้นจะเกิดนิวอนหรือเกิดสังโยชน์ที่เรียกว่าอุทธจัจจะขึ้นมาคือความฟุง้งความเมื่อยล้าจะพิจารณาเจริญปัญญาแล้วจะไม่เห็นชัดเจนจะไม่เห็นความจริงชัดเจนต้องกลับไปพักผ่อน ต้งกลับเข้าไปในสมาธิพอเข้าสูงท่านปัญญาแล้วจึงจาเป็นจะต้องมีการสลับกันระหว่างสมาธิและปัญญาออกมาเดินจงกรมก็พิจารณาทางปัญญาหรือไม่พิจารณาอยากจะทําใจให้สงบก็ดูเท้าไปหรือบริกรรมพุทโธไปหรือถ้ามีสติก็กำหนดให้ใจนิ่งไม่ให้คิดอะไรก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพักใจพอพักใจได้พอ มีกำลังแล้วก็ต้องบงังคับให้ออกมาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้พาจะเห็นว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากได้มันเป็นยาพิษอย่างไรก็เป็นเพราะว่ามันต้องเสื่อมมันต้องเปียไป เวลาได้อลามาใหม่ๆมันก็ดีไปหมดอต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เสื่อมมันก็เปลี่ยนไปรถนี่เวลาซื้อใหม่มันก็ดีพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวยางก็แตกยางก็หัวโลนพอหัวโ้นน้าต้องทําไงก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนยางอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วเวลาจะไปไหนขับรถไปกลางทางยางแตกเสียแล้วอันนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่มีรถไม่มียางก็ไม่ต้องมาทุกข์กับมันวิจรารณ์อย่างนี้ไปแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะต้องมีวันมีมีวันเสือ่อมมีวันเสียวันที่จะทำให้เราต้องผิดหวังทาวันที่จะต้องทำให้เราเสียอกเสียใจถ้าเราคิดเห็นว่ามันเป็นอนิจจังและมันเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไร เราเอาความสงบเพียงอย่างเดียวพอเพราะความสงบนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดจากใจไปไม่มีวันที่จะทำให้เราทุกข์ได้เราก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดใจจะสงบก็ต่อเมื่อไม่มีความอยากมาทำลายความสงบนี้ใจจะไม่ใจจะไม่มาใจจะไม่เอาความอยากมาทำลายความสงบก็ต้องพิจารณาปัญญา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์นั่นเองเพราะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์ว่าเพราะเป็นอนัตตาทุกข์เพราะเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเราเช่นร่างกายของเรานี้เราสั่งให้ร่างกายนี้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้สักวันหนึ่งเขาก็ต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตาย เช่นเดียวกับคนที่เราพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ว่าให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะว่าเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายเหมือนกันหรือสินเขงต่างๆก็แบบเดียวกันเราจะไปสั่งให้สิ่งของนี้ให้ความสุขตลอดไปตลอดก็ไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องพังไปแล้วมันต้องหายไปถ้าเราคิดอย่างนี้ ให้เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแล้วมันจะทำให้เราเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะเห็นอนัตตาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตอนนั้นเองอย่าไปมีเขามีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีถ้าไม่มีก็จะไม่มีทุกข์ อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าความว่างก็คือการไม่มีอะไรใจนี้ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ไม่ต้องมีก็อยู่ได้เวลาใจเข้าไปในสมาธิก็เหมือนไม่มีร่างกายใจอยู่ตามลำพังอยู่กับความว่างอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พูะเจ้าทรงจับว่าเนปบานังปรลังศุญญีอย่างนิปบานังก็คือความว่าง นิพพานังประมังสุขถังนิพพานก็คือความสงความสุขความบรลมัสุขความบรลมัสุขนี้ก็อยู่ที่อยู่กับความว่างนี้เองอานไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรเสื่อมได้เมื่อไม่มีอะไรเสื่อมมันจะทําให้เราทุกข์ได้อย่างไรให้คิดอย่างนี้พิจะไดานี้แล้วให้เราอยู่กับความว่างให้ได้ให้เราอยู่กับ สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเช่นถ้ายังมีร่างกายก็ให้มีปัจจัยสี่พอเลี้ยงดูร่างกายได้ไปก็พอแล้วมีมากกว่านั้นก็จะเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นมาโดยใช่เหตุถ้าไม่มีร่างกายได้ก็สบายหมดหมดภาระหมดปัญหาไปเหลือแต่ใจเพียงตัวเดียวใจที่ว่างใจที่เป็นบรมสุขเพราะว่าสามารถหยุดตัณหาความอยากทั้งสามได้หมดไป ด้วยการเจริญปัญญาแล้วถ้ามีสมาธิแล้วเราจึงต้องบังคับให้พิจารณาทางปัญญามันไม่ยอมพิจารณาก็ต้องบังคับมันเหมือนกับคนที่กินข้าวหลับนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้เขาไปทํางานเช่นคนใช้ถึงเวลาก็ต้องสั่งให้เข้าไปกวาดบ้านถูบ้านทําอะไรต่างๆไม่ให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วเปลืองเงิน เปิดเงินเดือนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรถ้าไม่ทําก็ต้องไล่ออกแต่ใจนี้เราไล่ไม่ได้เราก็ต้องบังคับมันบังคับให้มันพิจารณาอันนี้จังพิจารณาอทุกขังพิจารณาอนัตตาเริ่มต้นที่ร่างกายหรือเริ่มต้นที่สิ่งที่เรามีความผูกพันเราลักอะไรเราต้องพิจารณาสิ่ง น, นั้นให้รู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องพัดภาคจากสิ่ง น, นั้นไป สิ่งนั้นจะต้องจากเราไปสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าเราไม่พิจารณาเวลาเขาจากเราไปเราจะทุกข์มากเพราะเรายังปล่อยไม่ได้เรายังมีความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปดังนั้นถ้าถามว่าอยากต้องพิจารณาอะไรก็ถามว่าเรารักอะไรเราหวงอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้รักไม่ให้หวงไม่ให้อยากได้ เมื่อเราไม่รักไม่หวงไม่อยากได้แล้วเราก็จะไม่ถูกกับเขานี่คือเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ทำขั้นต่างๆที่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพอเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลที่ถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสงสาวกทั้งหลายได้รับกัน เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์สาวกธรรมนั้นเราถึงจะได้ทำแท้ได้ทำจริงได้ทำที่ถูกต้องได้ทำที่จะพาให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้รับผลที่ถูกต้องตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจิน e ังเปตานังอุปการปติอิช e ิตังปัจ um ิตังตุมหังคิปเปเมวะสานิจตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยะถามานิจติ ภราสยาาสพิติโยวิวัจจันตสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวรรณตารโยสุขีทีขาโยโกภาวอภิวาตนาีลิธาิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวัานติอายุวันโสุขังภาล ใครอยากจะมีคำถามก็ถามได้มีไมโครโฟนช่วยพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อคนอื่นจะได้ฟังเสียงได้ฟังคำถามได้อะไรหม อ, อ ค, ครับหพอครับเวลาเราเจริญสตินี่เราใช้ความคิดได้ไหมฮะเช่นสมมติทำงานที่ต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็ทำไปด้วยเจริญสติ ด, ด้วยได้ ถ้าเราต้องการปฏิบัติทาไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสมาธิเราก็ต้องหยุดความคิดไม่ต้องการคิดอะไรถ้าปัญญาเราก็ต้องคิดในเรื่องของไตรละไม่ใช่ไปคิดในเรื่องของการทำงานถ้าไปคิดเรื่องของการทำงานก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการทำงานเช่นวางแผนว่าเราจะขยายกิจการอย่างไรมี ขั้นตอนอย่างไรต้องทำอะไรอย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกไปก็คนที่เขาเป็นผู้บริหารเขาก็ทำอย่างนี้บางทีเก็เดินไปเดินมาแล้วก็ก็นั่งแล้วเขาก็คิดไปว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะพัฒนาองค์กรของเขาให้เจริญก้าวหน้าไปแต่มันเป็นเรื่องของทางโลกไม่ใช่เรื่องของทางธรรม ทงังทรถ้าจะคิดก็ต้องคิดไปในใจลับคิดไปในเรื่องของการให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดที่ทำให้เราในความรักความหวงความห่วงความทุกข์เราต้องการที่จะพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นของไม่เที่ยง ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็จะทุกข์มากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงตเตรียมตัวตเตรียมใจไว้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นร่างกายของเราพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราเลิกอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายเราต้องแก่เป็นไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะโน้มน้าวจิตใจของเราให้ยอมรับความจริงอังนนี้ไม่ต่อต้านพอไม่พอไม่ต่อต้านแล้วใจก็จะไม่ทุกเวลาที่เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายอันนี้เป็นเรื่องของทางปฏิบัติธรรมถ้าจะคิดก็ตองคิดไปในทางตายรับ เพลงอย่างเดียวหรือทางอสุภะก็ได้ทางดินน้ําลมไฟก็ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่เป็นอะไรเป็นดินน้ําลมไฟทั้งนั้นเป็นาธาตุทั้งนั้นเราไปหลงกับาธาตุร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยาธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้าไม่มีดินก็คือข้าวผักเนี่ยเราไม่กินข้าวกินผักไม่ดื่มน้ําไม่หายใจ ไม่มีความร้อนในร่างกายร่างกายนี้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้และเวลาร่างกายนี้หยุดทำงานอาการต่างๆมันก็เปลี่ยนไปผมขนเล็บฟันมันก็กลับกลายเป็นดินไปความร้อนก็หายไปส่วนที่เป็นน้ำก็ไหลออกไปอันนี้แหละให้พิจารณาแบบนี้เราจะได้ไม่หลง เมื่อไม่หลงแล้วก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเพราะเราเห็นเหมือนกับเราดูหนังเราดูหนังแล้วเราก็รู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะดูอย่างสบายใจเราอย่าไปดูตอนต้นไปดูที่ตอนจบก่อนดูตอนจบก่อนให้รู้เรื่องว่าใครเป็นใครตายก่อนเราค่อยกลับมาดูตอนต้นนี่จะดูอย่างสบายไม่ต้องมาเครียดว่าเขาจะตายหรือไม่ตาย ไม่ดก็เป็นการร่างกายของเราแล้วก็ต้องไปดูที่ตอนจบดูมันบ่อยๆดูตอนที่มันตายแล้วมันจะไม่เครียดแล้วมันอยู่กับมันจะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างสบายจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมอยางไงมันก็ยังดีกว่าไม่ตายมันยังดีกว่าตายแต่มันก็รู้ว่ายังไงในทํายังไงมันก็ต้องตายอยู่ดี เมื่อมันต้องตายแล้วไปเหนื่อยกับมันทำไมไปต่อสู้ไปรักษามันให้เหนื่อยมากจนเกินไปทรรมดาต่อสู้พอประมาณคือเอาทางสายกลางไม่ทำแล้วไม่ทุกข์ก็ทำไปทำแล้วอย่าไปทุกข์กับแล้วกันดูแลรักษาร่างกายไปแต่อย่าไปทุกข์กับมันถ้าทุกข์ก็แสดงว่าดูเกินไปดูแลมากเกินไปเอาพอสบายสบาย พอรู้ว่าดูแลอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่ดีนี่แหละคือปัญญาอย่า ก, กลัวความตายอย่าไปอย่าไปกลั ว, วเรื่องของการคิดถึงความตายการคิดถึงความตายนี้ไม่เป็นอภ ป, ปมงคลอย่างที่ชาวบ้านคิดกันชาวบ้านนี่จะคิดว่าเฮ้ย hey, พูดถึงคําตายไม่ได้นะไ ม, ไม่เป็นมงคลเหมือนกับเป็นการสาบแช่งถ้าถ้าความคิดของเรามันวิเศษขนาดนั้นทาไมเวลาคิดให่เรารวยมันไม่รวยสักที ใช่ <laughs> ไหมการคิดถึงความตายนี่มันคิดถึงความจริงมันเหมือนกับไปดูหนังตอนจบพอเรารู้ว่าตอนจบเป็นยังไงตอนอื่นมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ดูไปอย่างสบายสบายชีวิตของเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องตอนจบเราต้องตายตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่เดือดล้อนะเพราะรู้ว่าในที่สุดมันก็แค่ตายเท่านั้นเองจะ จะทาหรือไม่ทําจะสู้หรือไม่สู้มันก็ตายเหมือนกันให้มันจะเบาลงไปเยอะมันจะไม่แบกไม่หามมันจะอยู่ไปแล้วมันจะได้เริ่มคิดไปในทางที่ควรจะคิดคือควรจะทําอะไรในสิ่งที่เราไม่สูญเสียไปมีสิ่งที่เราทําแล้วจะเป็นของเราไปตลอดคือบุญกุศลเนี่ยที่เรามา ฟังเทศฟังจำ ม, มาปฏิบัติทางเนี้ยเราจะได้บุญกุศลคือได้ความสงบได้ได้ใจที่ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเอาไปกับเราได้เฉนั้นก่อนตายเรามาทําเอาสิ่งพวกนี้ไปไม่ดีกว่าเลยดีกว่าเอาสิ่งที่เร า, เาไปไม่ได้กันเอาไปทําไปทําไมหาไปทําไมหาเต็มบ้านเต็มช่องไปหมด เวลาตายไปก็เอาเขาไม่เอาใส่ลงไปกับเราแม้แต่ร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือปัญญาพิจารณดินน้ำพิจารณาดินดน้ำลงไฟนี่เป็นสุภาษ ก, าการรมฐานของเราไม่ดินน้ำลงไฟเป็นอนัตตางนนาาไม่มีตัวตนดินมันมีตัวตนหรือเปล่าน้ำมันมีตัวตนหรือเปล่า เมื่อดินน้ำลมไฟมารวมกันมันกลายเป็นอะไรก็กลายเป็นอาการ32กลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วส่วนเหล่า น, นี้มันเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่มันไม่มีตัวตนอยู่ในน้ำในดินในลมในไฟแล้วมันจะมีตัวตนในผมขนเล็บฟันได้อย่างไรมันไม่มี และเวลามันแยกออกจากกันมันก็มีตัวตนแยกออกไปหรือเปล่ามันก็ไม่มีนี่เกิดเรียกเรื่องของอนัตตาการพิจารณาละส ก, กายาทิสติส่วนอัศวุภะนี่เป็นเรื่องของการพิจารณาส่วนไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้กําจัดการมาราคาความยินดีความรักใคร่ในร่างกายของผู้อื่น ที่เราต้องมีแฟนมีสามีมีภรรยาก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเราเห็นแต่ส่วนที่สวยงามพอเห็นเขาแล้วเราก็เกิดความยินดีอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะอยู่กับเขาเพราะอยู่กับเขาแล้วมีความสุขแต่ถ้าเราไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขานี่เราก็จะเกิดความเกลียดขึ้นมาได้เกิดความรังเกียจขึ้นมาได้ ก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เขาการที่เราต้องพิจารณาเพราะว่าการอยู่คนเดียวนี่มันดีกว่าอยู่ร่วมร่วมกันอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องทุกข์เพราะว่าต้องห่วงต้องห่วงกันต้องวิตกกังวลและเวลาพัดพากจากกันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องไม่ก็ต้องก็จะไม่มีความทุกข์กับคนอื่น ที่เราอยู่กคนเดียวไม่ได้ก็เพราะความอยากจะอยู่กับคนอื่นนั่นเองเพอคิดถึงคนที่รูปร่างหน้าตาสวยงามก็อยากจะอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาอยากจะมีเขามาเป็นคู่ครองของเราเพราะเวลาอยู่คนเดียวมันเกิดความรู้สึกว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหงาพอมีคู่แล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นเบิ บ, บาน แต่มันลืมแปว่ามันก็มีวันที่จะขมขื่นได้เหมือนกันเพราะเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้หรือเกิดเวลาที่จะต้องอยู่ห่างห่างจากกันบ้างบางครั้งบา ง, บางเวลาเวลานั้นก็ต้องว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนเดนิแต่ถ้าเรากำจัดการมาลา ค, าคาล้าได้ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดความรู้สึกล่านี้เกิดจากการ ความอยากของเราเองอยากมีคนนั้นคนนี้อยู่ด้วยพอไม่มีมันก็เริ่มรู้สึกว่าเหว่ขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากจะอยู่กับใครความว่าเหว่มันก็ไม่มีนางวิสาขาที่ที่ยังเสียใจที่หลานสาวตัวเองตายเนี่ยตอนที่เป็นโสดาบันแล้วก็แปงว่านางยังไม่ผ่านอสุภะที่ว่านี้ใช่ไหมครับก็ไม่ทราบ ว, ว่าเธอเสียใจด้วยเหตุผลกลไกใด คือถ้ารักถ้าถ้าเป็นแฟนกันอย่างนี้ก็อาจจะเสียใจได้เพราะยังรักเขาอยู่แต่ถ้าเสียใจเพราะเพราะเพราะเขาตายไปนี้ก็แสดงว่าคงจะไม่ใช่เพราะพระโสดาบันนี่เขานึกเรื่อ ง, องของการสูญเสียอยู่แล้วเรื่องของการตายอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่จะปล่อยให้น้ําตาหลั่งไหลออกมาหรือไม่นี้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณหนยของขันที่ถ้าจะปล่อยให้มันปรุงไปทําไปก็ได้แต่ใจไม่ไปไปเศร้าหมองไปกับมันก็ได้ คืออาจจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งตัวไม่ติดเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกชั่ววูบที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นเท่านั้นเองอันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางอินเทอร์เนต็ตมีไหมพัดซานครับมีท่านหนึ่งได้เคยบอกผมไว้ครับว่า ความคิดความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เราทําได้เพียงตามดูมันมีสติตามรู้มันเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์เราก็ควบคุมมันได้แต่อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาได้เป็นพักๆเช่นเราทําใจให้สงบนี้เราก็ควบคุมความคิดไว้นะหยุดความคิดไว้ใจสงบนี้ล้วก็ควบคุมสังขารสัญญาวิญญาณ ได้มันก็สงบละงับไปชั่วคราวแต่พอสักระยะหนึ่งมันก็ถอนออกมาพอถอนออกมามันก็คิดปรุงแต่งแต่เราสามารถบังคับให้มันคิดไปในทางที่เราต้องการได้เช่นบังคับให้มันคิดไปในทางธรรมได้ถ้าเราฝึกฝนอบรมควบคุมบังคับมันไปเรื่อยๆใจเราสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมก็ได้ แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนปล่อยให้ใจคิดมันก็จะคิดไปตามนิสัยเดิมของมันนิสัยเดิมของมันมันก็จะคิดไปในทางของกิเลสตัณหาคิดไปในทางของอวิชชาคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราคิดว่าให้ความสุขกับเราพอคิดอย่างนี้ก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็ต้องไปดิ่นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา พอได้มาแล้วมันก็ให้ความสุขเดียวเดียวแล้วมันก็หายไปก็ต้องไปหาสิ่งใหม่มาอีกซื้อเสื้อผ้าเต็มตู้เนี่ยซื้อทำไมร่างกายมี ร, ยมร่างกายเพียงร่างเดียวแต่มีเสื้อผ้าเป็นสิบสิบชุดเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเห็นแล้วมันคิดว่าสวยอยากได้พอได้มาแล้วมันก็ใส่หนเดียวก็ว่าไม่สวยแล้วเปลี่ยนใจแล้วอยากได้อีกอย่าง อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ควบคุมความคิดของเราปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์ถ้าเราคิดไปเน้นถ้าเราควบคุมให้มันคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลมันก็จะระงรับได้เสื้อผ้ามีไว้ทําไมไว้ใส่เพื่อปกปิดร่างกายใช่ไหมตาตอนนี้มันพอใส่หรือเปล่าถ้าพอเราซื้อมาทําไมเนี่ยท่านั้นมันก็จบก็ควบคุมได้ความความรู้สึกเมืคิดให้มันคิดไปในทางที่ให้มีความสุขได้ อย่างพระหลานพระพุทธเจ้านี่ ท, ท่านคิดไปในทางที่ทําให้จิตใจของท่านมีความสุขถ้าไม่ได้คิดไปในทางที่ทําให้จิตใจของท่านมีความทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์มันก็เกิดจากความคิดเนี่แะตัณหาความอยากมันก็มามันต้องใช้ความคิดเป็นตัวตัวตั ว, ตวพาไปอยากจะเวลาคิดถึงเวลาคิดถึงขงนมมันก็เกิดความอยากขึ้นมา แต่พอคิดเป็นอุจจาะหลังจากที่กินขนมแล้วถ่ายออกมามันก็จะไม่อยากกินนั้นอยู่ที่เราจะคิดไปในทางไหนถ้าเราไม่อยากจะกินทุกครั้งเวลาเห็นขนมก็คิดถึงตอนที่มันกลายเป็นอุจจาะดูพอมันกลายเป็นอุจจาะก็เรากินอุจจาระเนี่ยกินไปทำไมมันก็ไม่อยากกินได้อันนี้วิธีปฏิบัติเขามีการวิรู้จักการควบคุมความคิดได้ แต่จะให้มันหายไปให้มันหยุดนิ่งตลอดเวลาไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วไม่จําเป็นด้วยก็ปล่อยมันคิดไปตามเรื่องของมันปล่อยทันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าอย่าให้มันไปคิดไปในทางที่มันทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียหายหเท่านั้นเองครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับ คำถามจากคุณกะหนกศรีนะครับข้อที่หนึ่งอาการที่รู้สึกสงบเย็นสบายจะอยู่ตรงท่ามกลางอกนั้นคือเรียกว่าปิติใช่ไหมเราก็ไม่รู้จักชื่อเหมือ น, น, นกันคัขอให้มันเย็นสงบสบายก็ใช้ได้ข้อที่สองและอาการแบบนี้เป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันไม่ว่าขณะนั่งภาวนาหรือเดินจงกรม หรืออยู่ในอริยะบทใดในชีวิตประจำวันถึงแม้จะพูดคุยกับใครอาการแบบนี้ก็ยังคงอยู่เป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะว่ามันสงบนะมันสงบเพราะพ่อมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมาไม่คิดไม่คิดไปในทางกิเลสตัณหามันก็จะสงบ มันสงบมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเฉยเฉยสบายสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ก็ต้องไปทดสอบดูว่าไปรับอารมณ์ต่างๆดูใชว่าดูยังจะเฉยได้หรือเปล่าข้อที่สามนะครับอาการแบบนี้เรียกว่าจิตอยู่ในสมาธิหรือไม่เพราะเวลานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมจิตก็จะสงบแบบนี้ ก็ใช่ก็ถึงบอกบางทีบอกว่ามันเป็นความสงบของใจเป็นสมาธิสมาธินี่บางทีไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ถ้าถ้าชํานาญแล้วมันเป็นของมันแล้วเวลาลืมตาเวลาเดินไปไหนมาไหนทําอะไรมันก็สงบได้ถ้าใจมันไม่ไปคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากมันก็สงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณวิเชียนนะครับ หลังจากที่ผมได้ฟังธรรมของหลวงพ่อทำให้ผมมีกำลังใจในการปฏิบัติเป็นอย่างมากยิ่งฟังมากก็ยิ่งทำให้เห็นตัวตนมีสติมากขึ้นภาวนามากขึ้นลดกิเลสอย่างหยาบได้จนหมดอยากขออุบายธรรมจากหลวงพ่อว่าทำอย่างไรจะขจัดกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ภายในได้ครับก็ต้องทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำเพิ่มไปมากขึ้นไป ตอนนี้เราทำได้กี่ชั่วโมงต่อวันแล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆจนทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำมก็คือทำตลอดเวลาเลยถ้าเราเคยทำงานทำการแล้วก็ลาออกจากงานไปแล้วเราก็ไปบวชไปบวชเป็นพระหรือถ้าไม่บวชก็อยู่แบบพระอยู่คนเดียวปิดวิเวกแล้วก็ปฏิบัติแบบพระไปตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มตีสองก็พัก ตีสองถึงสว่างก็ปฏิบัติพอตื่สว่างแล้วก็ทําภารกิจต่างๆก็ปฏิบัติควบคู่กับการทําภารกิจไปทั้งวันไปทําอย่างนี้มันก็จะมันก็จะเข้าสู่กิเลส ท, ที่ละเอียดเข้าไปได้ตามลําดับเองข้อที่สองนะครับตอนนี้นําธรรมะของหลวงพ่อมาปฏิบัติมีความก้าวหน้าเป็นลําดับขอความเมตตาช่วยขยายความให้ละเอียด ระหว่างความจริงกับความจําเพราะยังมีความสับสนอยู่ความจําก็คือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยบางทีมันก็จําแล้วบางทีมันก็ลืมอเราจะเรียกว่าเป็นความจําความจริงก็คือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะอย่างเนี้ยพอเราเกิด ไปเห็นคนที่มีหน้าตาสวยงามขึ้นมาแล้วเกิดการมารมขึ้นมาถ้าเป็นความจำบางทีมันก็ลื ม, มลืมอสุภาไปพอลืมอสุภามันก็เลยต้องไปเป็นแฟนเขาไปขอเข้ามาเป็นแฟนอย่างนี้เรียกว่าเป็นความจำถ้าเป็นความจริงก็คือพอเห็นใครว่าสวยว่างงามอย่างไรอสุภามันก็มาบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอสุภา อยนี้ถึงจเรียกว่าเป็นความจริงเคยมีอยู่ตลอดเวลาถึงจะจริงถ้ามีบ้างไม่มีบ้างเวลาต้องใช้มันมันกลับไม่มาเหมือนเหมือนเหมือนกับรถดับเพลิงเนี่ยเวลาไฟไม่ไหม้ก็มากันวิ่งไปวิ่งมาแต่พอเวลาไฟไหม้เรียกมันมามันไม่มาเนี่ยบ้านไฟไหม้หมดไปเลยเนียเรียกว่าความจำกับความจริงมันต่างกันคำถามข้อต่อไปจากคุณศิริศักดิ์นะครับ ลูกได้นั่งสมาธิกำหนดคำภาวนาสูตรลมหายใจเข้าออกแรงๆเอาลมหายใจออกไปแล้วได้มีอาการลมหายใจถี่และเร็วเบาที่หูมีอาการเหมือนหูจะดับยกตัวอย่างแบบคนมาตกมือข้างหูแต่มือไม่สัมผัสกันแต่ความรู้สึกคือเป็นลมและเสียงปั๊บปับและที่หน้าอกอึดอัดผมอ่านหนังสือลมของหลวงพ่อลี ท่านบอกว่าให้กำหนดลมหายใจให้ปรับแต่งลมกับถามครูบาอาจารย์เขาที่เคารพอีกท่านท่านว่าให้ตามดูลมแล้วกำหนดเป็นไตรักเรียนถามพระอาจารย์ว่าหากปรับแต่งลมกับตามดูลมแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าก็ลองทาดูเลยก็อันไหนมันได้ผลก็อันนั้นก็เป็นประโยชน์แต่เท่าที่เราได้ปฏิบัติมาเราก็ ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งสอนและปฏิบัติมาท่านบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับลมให้ดูลมเฉยๆให้ลมเป็นเหมือนกับที่เกาะไว้เท่านั้นเองลมจะอยาบหรือจะละเอียดจะหายใจสั้นหายใจยาว ก, ก็ให้รู้เฉยๆให้รู้ตามความเป็นจริงของลมเหมือนเรานั่งตอนนี้ยลมพัดเราก็รู้ว่ามันพัดมันไม่พัดก็รู้วมันไม่พัดก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับให้มันหายใจ แรงหรือหายใจเบาไม่ต้องไปควบคุมบังคับอะไรมันทั้งนั้นเพราะตอนนั้นเราไม่ต้องการให้ใจทำงานเราต้องการให้ใจรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ให้สักแตว่ว่ารู้ว่าตอนนี้ลมเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าอยากก็รู้ว่าอยาก UH <tá S 1> หายใจออกหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบหายใจยาว ก, ก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นนะละเอียดก็รู้ว่าละเอียด แม้แต่เวลาลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่มีลมเหลืออยู่แล้วก็ไม่ต้องตกใจกลัวอย่าไปปรุงแต่งไปปรุงว่าไม่มีลมแล้วเดี๋ยวเราตายไม่มีลมหายใจเราตายถ้าตามได้เรายังรู้อยู่นี่ไม่ตายเพราะว่าลมมันอาจจะละเอียดเกินกว่าที่เราจะไปรับรู้ได้เวลาจิตสงบม้างๆนี่ลมมันนานๆมันจะหายใจสักครั้งหนึ่งมันไม่ได้หายใจแบบที่เราปกติหายใจกัน สังเกตเวลานอนหลับกับเวลาทำงานนี่ลมหายใจมันจะทีไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นการท่าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆนานๆใจสงบไม่ทไม่ใช้ร่างกายทำอะไรมันก็จะไม่ต้องมันก็ไม่ต้องอาหายใจมากเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้าเวลาวิ่งเนี่ยเราต้องเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ต้องทำงานหนักเวลารถจอดเฉยๆนี่มันก็มันก็ไม่ทำงานหนักเหมือนกับตอนที่มันวิ่ง ดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่เกาะเท่านั้นเองเพราะเหมือนกับเวเรารอยอยู่ในน้ําเนี่ยเวลาเราตกลงไปในลําธารเชี่ยวน้ํากระแสน้ําเชี่ยวเราก็ต้องหาอะไรเกาะไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ําใจเราก็มีกระแสอารมณ์ความคิดเนี่ยเราไม่ต้องการให้ใจเราไหลไปกับกระแสอารมณ์ของความคิดเราก็ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ เช่นใช้ลมยึดเหนี่ยวก็ได้ใช้การบริกรรมพุทธโธยึดเหนี่ยวก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดไม่คิดไปตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้ไปงั้นลมนี้จะเป็นอย่างไรให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นก็พอถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปควบคุมบังคับลมให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเอง ต้องการให้หยุดการกระทำงานของใจให้เหลือแต่สั์แต่ว่ารู้เท่านั้นให้รู้เฉยๆสรุปก็มีแค่นี้ให้รู้เฉยๆเวลาดูลมก็ให้ดูลมเฉยๆไปข้อที่สองและอาการนี้ดีหรือไม่ดีครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าหากนั่งภาวนาไม่นานหรือบางทีไม่ได้ภาวนาลมหายใจเบาอาการดังกล่าวก็ามาเลยหากไม่ดีไม่มีประโยชน์ ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเราไปแก้ไขบังคับปรับปรุงลมไม่ได้หรอกเขาก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่รู้ก็รู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางเขาถ้ามันเป็นปัญหาก็ต้องไปหาหมอเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของร่างกายถ้ามันไม่เป็นปัญหาเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันข้อที่สามโอภาโส ในวิปัสสนากิเลสิบแตกต่างจากแสงสว่างในจตุถยานอย่างไรครับต้องไปถามอาจารย์ g กูเกินก็แล้วกัน <c oughs> หมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วนะ <c oughs> ของบางอย่างพวกนี้มันต้องปฏิบัติเอง <c oughs> เห็นเองแล้วมันก็ไม่สงสัยไม่ต้องมาถาม มาถามพูดไปมันก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงต่างกับสีเขียวอย่างไรบอกไปมันก็ท่า น, นั้นแหละมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่อของพวกนี้เรื่องของผลของการปฏิบัตินี่เราต้องเป็นสันทิฏฐิโกให้มันปรากฏขึ้นมาเองถ้ายังไม่ปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปกังวลเนี่ยปัญหาของคนที่รู้มากเกินไปเรียนอ่านมากเกินไปฟังมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดี น้นอย่าไปกังวลกับเรื่องผลให้กังวลกับเรื่องเหตุเหตุคือการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกเราก็จะได้แก้ไขไปทําให้มันถูกถ้าถูกแล้วผลมันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็ไม่ต้องไปถามใครว่ามันต่างกันอย่างไรมันอย่างนี้เป็นอย่างไรแต่ครูบาอาจารย์บางรูปนี้ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือท่านไม่รู้หรือว่าโอภาสุเป็นอะไรน ท่านเพียงแต่รู้ว่าจิตมันสว่างจิตมันสงบจิตมันสบายท่านไม่ทุกข์ท่านก็พอใจแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับไม่ต่างอะไรก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรปฏิบัติทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้ใจไม่ทุกข์เท่านั้นเองอ๋อแสดงว่าศัพท์เหล่านี้ยเป็นศัพท์ใหม่หรครับอาจารย์ที่ไม่ได้มีในพระไตรปิฎกหรอครับอาจารย์มีเพแต่ว่าไม่ต้องผู้ปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องรู้ก็ได้ไม่เราไม่ต้องไปเรียง ทั้งหมดหรอกไม่ต้องไปเรียนอาพิธรรมเพื่อจะได้รู้สับแสงอะไรต่างๆเหล่านั้นขอให้รู้ใจตัวเดียวพอให้รู้ว่าใจตอนนี้สุขหรือทุกขสงบหรือไม่สงบถ้าจะรู้ให้รู้แค่นี้พอแล้วให้รู้วิธีถ้ามันไม่สงบก็รู้วิธีทําให้มันสงบเวลาทุกข์ก็รู้วิธีทําให้มันหายทุกข์ท่านนี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้ไปมากไปกว่านี้ ง่ายดีไม่ต้องไปยุ่งยากอุ่นวาย พ, พระอาจารย์ครับเมื่อเช้าเนี่ยผมได้คุยกับท่านหนึ่งอะแล้วท่านเนี้ยเขาก็เหมือนกับพูดเรื่องการเมืองอ่ะผมก็เลยบอกว่าเราอย่าไปโกรธไปเกลียดใครว่าเลยใครก็ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นนะครับอเราไปเกลียดเขาเนี่ยก็เท่ากับสร้างมลให้ให้ใจเราเนี่ยการที่เราสอนเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นการ สรงอัตตามานักให้ตัวเองไหมครับเหมือนกับว่าเราเรารู้เราอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์อยู่ที่ว่าเราทําด้วยความอยากหรือไม่อยากถ้าทําด้วยความอยากที่อยากจะอวดรู้แสดงว่าเรารู้มากนี่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาได้แต่ถ้าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลคือเมื่อเขาถามมาเราก็ตอบไปหรือเราสนทนาธรรมกันเราก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่พอถ้าเราถึงกับขั้นเถียงกันถกเถียงกันอันนี้ก็มันก็จะเป็นเรื่องของกิเลสแล้วถ้าแยกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือให้สนทนาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็แล้วกัน เอาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็จะปล่อยให้นักเรียนได้กลับบ้านกัน <c oughs> ครูจะได้เปรับผ อ, ข อ, ขอนขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ